เรื่องพจนการและมหาการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระจักรพดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดูลายเขตเสตปพรยนครพระจุลการและมหาการเป็นชาวเสตปพรยนครมีพี่น้องด้วยกันสามคนคือจุลการมัชฌิมการและมหาการมหาการเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลการ มักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับพอซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตัพรยนครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตัพรยนครคือมัจจิมการคือคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเขาไปด้วยวันนั้น พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปพิคถาทรงพรรณนาโทษของกางเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมากทรงตรอมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันและจบลงด้วยอริยสัจสี่เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสเจรนาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้ จะประโยชน์อะไรด้วยการคลองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าแตงนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคมีใครจะต้องบอกลาไหมพระศาสด า, า, าตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าค่าถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวช ด, ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสละโลก แต่จุลกาลบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้ศึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่สองคือคันถ ธ, ธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์หนึ่งและวิปัสนาธุระการเจริญวิปัสนาเพื่อละอวิชาทําปัญญาให้เจริญเต็มที่หนึ่งพระมหาการตกลงทําประการที่สองคือวิปัสนาธุระทูลขอให้พระาศาสดาตรัสบอกโสสาณิกะทู้ดงควัต คือข้อปฏิบัติของภิกษุผูดอยู่ในป่าช้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามร่วงไปแล้วคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าชา้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหารครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งชื่อกาลีได้เห็นที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดว่าใครนอมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีบไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าชา้า พาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชมายามจึงเข้าไปไหว้และพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี้หรือใช่อุบาสิกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในป่าช้าควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้าพระเถระถามว่าควรทําอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าช้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าช้าควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอก ผู้เฝ้าป่าช้าและพระมหาเถระในวิหารทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจมีพวกโจรทำจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าชา้าเมื่อเจ้าของท ร, ร, รัพย์สกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรวมกันทุบตีแต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่า ผู้อยู่ในป่าช้าอยู่มานานแล้วมิใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมพระถามนางตอบว่าพระที่อยู่ในป่าช้าจําต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้จิตครานควรปรารกความเพียงอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอโอดไม่เจาเล่ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหาร เวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นพึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบัญญติจิตให้สมเร็จรูล่วงไปได้ด้วยดีอันนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพเจ้าก็าจะกราบเรียนให้ทราบพระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงเฝ้าป่าชาและสั่งว่า หากมีสบอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงก็ให้บอกด้วยส่วนพระจุลการผลลุกพลนั่งรันจวนถึงครวาดวิสัยคิดถึงบุตรและพัญญามิอาจบำเพ็ญสมณะทำได้จุลการคิดว่าปีชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละคือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้ามอบเงินค่าเผา ให้นางการีหญิงเฝ้าป่าช้าแล้วมอบศพให้เป็นพระของเธอนางเปลื้องผ้าห่อศพออกดูเห็นยังสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูพระพระมาดูแล้วเห็นรูปพระนี่จริงนักมีสีทั้งทองคายังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่าเมื่อเอาศพเผาแล้วขณะไฟกาลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกําลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงอหงิดค้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหนังหน้าผากออกเปิ่งพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกสานกําหนัดแก่ผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าอานิจจาวัจจสังฆาราอุปดวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังโวปสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและค ว, วามดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นสุขดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสามพิธาทั้งหลายหลังจากพระมหาการสำเร็จอรหัตผลแล้วไม่นานพระศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์สเสด็จสู่เสตปพรยนครสเสด็จประทับหน้ป่าประดู่ลายพัญญาสองคนของพระจุลการได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลการพร้อมด้วยพระศาสดาให้รู้สึกปราโมทจริงนักวางแผนเพื่อจับพร ะ, พระจุลการศึกจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันพระตาหารหน้บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระศ า, าสดาทรงรับท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสำหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้เคยนั้นควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนําการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอ า, าสนะสําหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านกว่าอาสนะพระมหาโมคลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้าน ครั้งนั้นพระมหากาลได้ส่งพระจุลการให้ลวงนาไปก่อนพอหญิงพัน ญ, ญาเห็นพระจุลการมาก็ชวนกันสวนเสเหหาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสําหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้นพอพระจุลการแนะนําว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้หญิงพวกนั้นแกล้งทำไม่ได้ยินรวมกันล้อมพระจุลการและกล่าวว่าท่านควรจะมาปูอาสนะเสียเอง ที่ทำอะไรอยู่ลาใครบวชมาที่นี่ทำไมอย่างนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบองจีวรของพระจุลการ์ออกแล้วให้หนุ่งผ้าขาวสวมเสื้อ ด, ดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลการ์ซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาสบวยเสร็จพัญญาของพระหมหาการคิดกันว่า เมื่อพัญญาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการสึกได้คิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นบังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระาศาสดาเสวยเสร็จแล้วหญิงเหล่านั้นขอร้องให้พระาศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาพระาศาสดาจึงเสด็จกลับก่อน ภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะมหาการเพียงรูปเดียวในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศาสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบเนอจึงทรงกระทำเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลการบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาหญิงเหล่านั้นจยากทำอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้หรือ พระศาสดาทรงสับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลกาลกับมหาการนั้นผิดกันจุลกาลปลดลุกปลดนั่งคิดแต่เรื่องศึกใจของเธอเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ว่างามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุระพลตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเราเห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามอยู่หนึ่งนิดเป็นผู้อันอารมณ์ต่างๆให้วันวายโยคลอนไม่ได้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบดังนี้แล้ว ตรอย้ำพระพุทธภาสิตซึ่งได้กล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นเหตุการณ์ทางบ้านของพระมหาการหญิงอดีตพันยาของท่านแปดคนล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะศึกหรือไม่สึกเล่าดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเพื่องจีวรของท่านออกจากกายพระเถระกําหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปด้วยอํานาจลทธิ์ลงมาถวายบังคมพระศาสดาคณะที่พระพุทธองค์ ตรัสิาษิตกับภิกษุทั้งหลายจบพอดี